เจ้าหน้าที่พนักงานโรงพยาบาลกรุงเทพและกรซีมาแล้วก็ผู้ที่สนใจก็รู้สึกว่าเป็นความยินดีนะที่ได้มาพบกันที่นี่โดยปกติแล้วเมื่อรุ่นก่อนก็มาครั้งหนึ่งละอันนี้ก็เป็นรุ่นใหม่มีใคร มีใครที่เป็นสมาชิกรุ่นก่อนแล้วติดตามมาบ้างไหม <c oughs> มีนะผู้จัดงานเห็นกหน้าได้ <c oughs> อ่านั่งตามสบายนะอ่ะาตามสบาย <c oughs> ก็ยังรู้สึกชื่นชมยินดีกับผู้จัดงานวันนี้ <c oughs> โดยมากเนี่ย เขามาจะเลือกจัดเวลาให้ผมเนี่ยช่วงบ่ายๆนะหลังจากทานอาหารกลางวันแล้วแล้วต่อไปก็ให้ผมมาปลุก <l ope> ผมนะปลุกก็ได้ผมเมื่อกี้ที่กล่อมเขานอนเนี่ยไอ้ก่อนรายการผมเมื่อกี้เนี่ยปลุกดีเ <l ope> นี่ยเป็นความฉลาด ของผู้ที่จัดงานวันนี้นะเนี่ยจัดรายการที่เรียกว่าอิงหลักธรรมหน่อยในการใช้ชีวิตเนี่ยในช่วงเช้าเช้าคือมันยังตื่นอยู่อะนะยังตื่นเช้าเช้าเนี่ยเนย่ยดีมากเลยเพราะรุ่นที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าประสบผลาําำเร็จมากแม้ขนาดจัดตอนเช้านะ ก็ยังมีกลุ่มหนึ่งํำเร็จร่วงไปดูดีหลับแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยผู้ที่สนใจนี่มีมากเลยมีเยอะมีเยอะกว่าบุคคลที่เขามีความผ่อนคลายมากก็ยังที่นชมยิดีบอกดีแล้วเราสามารถพูดให้เขาได้หลับได้เนี่ยผมว่าดีนะเราะคนสมัยนี้ต้องอาศัยยา น, นอนหลับ ถ้าเราช่วยก็ได้เขามีความสุขเ็าคงจะอยู่บ้านคงจะนอนไม่ค่อยหลับนะก็ช่วยกันเราวันนี้นี่ก็พูดกันไว้ก่อนบอกถ้าใครหลับเนี่ยอยจะเสียประโยชน์มากเลยนะเพราะว่าครั้งนี้จะพูดไม่เหมือนครั้งที่แล้วตั้งใจไว้ว่าการพูดแต่ละครั้งเนี่ยผมจะดูหน้าคนฟังก่อนวันควรจะพูดเรื่องอไรนะวันนี้ ถ้าตั้งใจฟังมากเครื่องจะเข้มข้นถ้าไม่ค่อยตั้งใจฟังเนี่ยเรื่องมันจะไปอีกแบบอย่างกร้ีมีท่านผ อ, อ, อมีคุณหมอชนินโอ้ยอย่างนี้ก็มีกำลังใจในการพูดอย่างน้อยเราจะพาดพิงผู้บริหารเราก็รู้สึกรู้สึกเกรงใจมีสติหน่อยรู้ทีแล้วเราพาดพิงได้เลยรู้ทีแล้วนะเพราะเราพูดผู้บริหารไม่อยู่โอ้เราถือโอกาสเลย นะนี่ก็เนีเป็นความฉลาดที่ได้มาจัดงานในวันนี้ก็ทุกครั้งที่เห็นการมาอบรมมาการทรวมกลุ่มกันเนี้ยผมถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่ซึ่งเป็นการทําหน้าที่เป็นกลุ่ม อย่างทัานเนี้ยเนี่ยเรามาทำหน้าที่มาทางานนอกสถานที่ที่เป็นงานเป็นกลุ่มก็เลยถือโอกาสจะขอพูดในเรื่องราวเกี่ยวกับศิละปะการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็มีคุณค่านะบางท่านฟังหัวข้อแล้วตื่นยกฟังเพราะมันเกี่ยวข้องกับคนทุกคนเลย Workers, มาท่านก็เตรียมตัวแล้วนะเตรียมจะเข้านิพพานแล้เริ่มต้นแล้วไม่เป็นไรเป็นเรื่องธรรมดานะความว่วงเป็นเรื่องธรรมชาติอย่าไปกังวลศิลปะการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณค่าโดยพราะที่ว่าเรามาเจอกันวันนี้นี่ว่ามาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มย่อย อย่างน้อยนี่การทํางานเป็นกลุ่มเนี่ยผมผมก็ยังชอบเลยเพราะตัวเองนี่ก็ชอบทํางานเป็นกลุ่มไม่ชอบทํางานคนเดียวเดี๋ยวเนี้ผมก็มามาเป็นกลุ่มของการมาทั้งชมชมรมเพื่อนคุณธรรม <Yeah. S 1> มากันหลายท่านมีชาวต่างชาติมาด้วยนะวันนี้อ่ขอแนะนําเจะเป็นนิสหน่อยเป็นชาวญี่ปุ่น มาจากมาจากประเทศญี่ปุ่นเธอชื่อมิสเตอร์ยูตะกะเขามาทำไมรู้ไหมเพราะว่าเนี่ยเขาเป็นชาวอธิตอุทัยนะแต่สนใจเรื่องการเจริญสติเขาอ่านหนังสือผมเสร็จแล้วเขา สนใจบินมาจากญี่ปุ่นเน่ยมาตามหาตัวผมในเมืองไทยผมเคยสังกัดพิธิวัดป่าสุกโตเขาตามพิธีวัดป่าสุกโตเลยไม่เจอผมผมย้ายสังกัดแล้วย้ายค่ายแล้วมาอยู่ชมรมเพื่อนคุณธรรมนคือกลุ่มของเรามันชีวิตรเรานี่มันต้องเปลี่ยนได้เราไม่ผูกติดกับสิ่งหนึ่ง ครั้งแรกเราก็อยู่ที่บ้านต่อมาเราก็อยู่ที่วัดอยู่ที่วัดเราถือว่าไปทำหน้าที่ไปปฏิบัติธรรมไปช่วยลุงพ่อได้ทำงานต่อมาเรามีโอกาสได้ขยายงานงานที่วัดอาจจะคับแคบขยายงานออกมาตอนชมลมจัดรายการวิทยุเพื่อการเผยแปล่ธรรมะเนี่ยคนญี่ปุ่นนี่ยก็สนใจนะอยากจะมาปฏิบัติธรรมอยากมาเจริญสติเพื่อ แก้ปัญหาชีวิตเพื่อเป็นการใช้ชีวิตอย่างมีศิละปะและมีความสุขและมีคุณค่าที่เกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยเวันเนี้ก็จะพูดเรื่องเนี้ยเรื่องเริ่มต้นจากเรื่องของการทํางานเป็นกลุ่มเงานที่เป็นกลุ่มเนี่ยบางทีเราทํางานเพียงคนเดียวเนี่ยบางทีรู้สึกมันงานไม่ค่อยสาเร็จได้ง่ายๆเคยสังเกตไหมบางทีต้องอาศัยพลังกลุ่มทํางานเพียงคนเดียวบางทีมันก็ เบื่อเท้อเซ็งบางทีขี้เกียจบางทีติดสบายบางทีเห็นเกะตัวไปเลยนะทำงานคนเดียวแปลกยากเห็นกะตัวไปเลการทํางานเป็นกลุ่มเนี่ยมันมันทําให้เรามีกําลังใจมีความกระตือรือร้นมันมีแรงผลักดันเป็นพลังกลุ่มให้ทําร่วมกันก็เกิด ไม่ตีติดมิตรภาพทํางานร่วมกันบางทีงานมันหนักงานมันเหนื่อยแล้วก็สามารถสนุกกับงานแล้วก็มีความสุขกับงานด้วยและงานก็สําเร็จได้ด้วยดีนะเนี่ยงานเป็นกลุ่มผมชอบตรงเนี้ยมันสนุกพลังกลุ่มนี่มันแรงมันแรงพลังกลุ่มเนนียปัจจุบันนี้ก็มีพลังกลุ่มใช่ไห ม, ไหมยินดีอยู่ได้ตั้งหลายวัน แรงนะไม่จำเป็นต้องใส่เสื้อสีลายมันก็แรงนะนั้นอนะ่ะยิ่งยิ่งมันสีแางๆนี่ก็แรงมากด้วยสีร้อนแรงแล้วโดยเฉพาะเวลาเราทำ ง, งานร่วมกันเป็นกลุ่มเนี่ยเรามีการแลกแลกเปลี่ยนประสบการณ์นี่แลกเปลี่ยนประสบการณ์เราจะได้เข้าใจว่าคนนี้คิดอย่างไร เปิดโอกาสได้แสดงวิธีคิดของแต่ละคนแต่ละคนงานกลุ่มต้อเป็นอย่างนั้นแต่ละคนจะต้องมีมีข้อคิดเห็นออกมาที่งแตกต่างกันมากเราคนหนึ่งเนี่ยมีโอกาสได้รับฟังประสบการณ์ของบางคนประสบการณ์ทั้งชีวิตเนี่ยเราสามารถเรียนรู้แล้วก็อมาใช้กับเราได้ด้วยถ้าให้เรามีการมีใจเปิดกว้างที่จะรับฟัง บางคนเนี่ไม่รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเอาแต่ความคิดเห็นของตัวเองเป็นหลักนะคิดว่าพวกเรานี่ถูกต้องอย่างเดียวมันก็เกิดเป็นตัวตนเป็นอัตตาที่ยิ่งใหญ่มากเนี่ยยิ่งอัตตาใหญ่ความทุกข์มันก็ใหญ่ตามอัตตาเน <c oughs> ี่ยยึดติดในในสมมุติที่เป็นอาตาตนนมมัตอาตาการทำงานรวมกรรมันเป็นกลุ่มบางทีทำให้เกิด ประสบการณ์ชีวิตอีกด้านหนึ่งคือมีคุณธรรมเอย่างเมื่อกี้เนี่ยอ๋อใครทําผิดยกมือปกติเขาไม่ค่อยจะยกยนะเขาจะเก็บเงียบเนี่ยไหนใครไม่ทําผิดก็ไม่ยกมือเพราะไมก่กล้าน่าจะถามต่อว่าใครไม่ยกมือเนี่ยกมือนอ <c oughs> คือมีความซื่อใจความซื่อใจรือตัวว่าเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งโดยที่เรา ไม่ต้องไปเรียนรู้จากใครจากตัวเราความซื่อสัตย์ความเสียสละไม่คำนึงถึงความต้องการของตัวเองเท่านั้นแต่คำนึงถึงคนอื่นคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองอันนี้เป็นคุณธรรมนะคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองอันนี้คนที่ใจกว้างถ้าคิดถึงตัวเองมากกว่าคนอื่นเนี่ยอันนี้ใจแค บ, ค, บแคับแคบเพื่อนไม่ค่อยมีหรอก เรื่องาคนเห็นแก่ตัวพลังตุ่มทําให้เกิดการเสียสละลดละการเห็นแก่ตัว น, นี่เป็นคุณธรรมที่สุดยอดเลย <c oughs> ลดละความเห็นแก่ตัวตรงกทั้งไม่เห็นแก่ตัวถ้าไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็มันหลุดพ้นเลยนะหลุดพ้นจากปัญหาทั้งติ้นทั้งป่วงหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยไม่เห็นแก่ตัว แต่อาศัยตัวโดยสมมติเนี่ยทำหน้าที่เพราะว่าไม่รู้จะเห็นแก่ตัวไปทาไมเพราะมันไม่มีตัวที่จะเห็นแก่ตัวมองไหมมันไม่มีตัวใะเห็นแก่ตัวแล้วก็ทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมไปเนี่ยมันเป็นการลดละอัตตาตัวตนเป็นคุณธรรม ให้ความช่วยเหลือคนอื่นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยคนนั้นน่ะเขามีเคล็ดลับของความสุขอยู่ในจิตใจนะจิตที่คิดจะช่วยกับจิตที่ให้เขาอยากจะช่วยอันไหนมันช่วยจิตมันดีกว่ากันืูที่ใจเราจิตที่คิดอยากจะช่วยเขารู้สึกเป็นยังไงกับจิตที่คิดร้อย้เขามาช่วยเรา มันแตกต่างกันนะเห็นไหมเพรา ะ, ะนั้นคนที่ช่วยเขาอยู่เรื่อยๆเนี่ยไม่รู้หรอกว่านั่นละคือความสุขในตัวรับช่วยเขาแล้วเรามีความสุขถ้ายิ่งเห็นคนที่เราช่วยเขาแล้วมีความสุขเราก็พลอยมีความสุขด้วยเห็นไเนี่ยได้สุขทั้งสองอย่างคิดจะช่วยได้รับความสุขเมื่อช่วยแล้วเขา ได้ความสุขจากการที่รับความช่วยเหลือของเราเนี่ยโอ้เราก็มีความสุขใช่หไหมเป็นความสุขที่หาง่ายเป็นความสุขที่เป็นคุณธรรมด้วยมีสเสน่ห์คนที่ชอบช่วยเหลือเขาเนี่ยมีสเสน่ห์นะคนก็อยากอยู่ใกล้เพราะยังไงมันช่วยเราแน่ฝากเมื่อปากตัวได้เนี่ยบางทีผู้เห็นใครช่วยใครเนี่ยสมมตินะอ่า เวลามีคนไข้คนป่วยเนี่ยโอ้คนรูคนนี้ก็ช่วยเหลือดูแลผมยังถูกโอกาสฝากเนื้อฝากตัวเลยแต่ไงก็ผมขอฝากตัวด้วยนะเขาก็มีความสุขนะเพราะนั้นความสุขเนี่ยอยู่ไม่ไกลหรอกสิที่ใจเราจิตที่คิดอยากจะได้กับจิตที่คิดอยากจะให้ อันไหนสุขมากกว่ากัน อ, อ๋ออยากให้เอาละตั้งนี้ไปต้นไปเนี่ยเราต้องเป็นนักให้ทำเพื่อให้ทำให้ไม่ใช่ทำเพื่อเอาหรือทำเอาเห็นไหมสมัยก่อนทำเอาลูกทำเอาทำเอาอะไรมันเกลี้ยทำเพื่อจะให้ดลเมื่อให้เขาเนี่ยมันย้อนกลับมาอยู่ภายในใจเราเราได้รับ โดยที่เราเออเราไมไ่รับจากเขาโดยตรงแต่ใจเราได้แล้วได้รับเพราะว่าเราคิดจะให้ใช่ไหมะังนั้นใครอยากจะมีความสุขง่ายๆเนี่ยรู้จักให้คนที่ไม่เคยให้เนี่ยมันก็ไม่ให้จริงๆเหมือนกันนะอ <c ười> คนที่คนที่คอยจะคอยรับเนี่ยคอยรับอย่างเดียวไม่เคยคิดจะให้ใช่ไหมใจเข่าใจคอครับแค่ นันการให้มีความสุขคนให้มักจะเป็นที่รักของคนที่ขอคนที่ขอมักจะเป็นที่น่าเบื่อนหน่ายคนที่ให้การให้ที่ไม่ต้องเสียอะไรเลยไม่ต้องเสียเงินเลย คือให้อภัยไม่เสียเลยนะการขอที่ไม่น่าเกลียบคือการขออภัยเห็นไหมข อ, ขอได้นะขออภัยขอโทษโอ่น่ารักมากคำนี้ต้องพูดบ่อยๆผูกผิดขอโทษไว้ก่อนเนี่นยผู้ใดคิด แต่ถ้าคิดจบแล้วก็เราอ๋อความสุขอยู่ตรงนี้เอง <Yeah. S 1> ที่จริงความสุขเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปยึดติดเฉพาะสุขที่เกิดจากวัตถุกรรมอย่างเดียวหรอกนะ <Yeah. S 1> วัตถุกรรมคืออะไรคือรูปเสียงรูปสวยๆเสียงเพราะ กลิ่นหอมหอมอาหารรสชาติอร่อยอร่อ ย, ออยการสมัมผัสที่นุ่มนวลเสียวซ่านั่นเป็นความสุขโดยธรรมชาติธรรมดาสุขเด็กๆลาสมัย <c oughs> มีได้แต่ไม่ใช่เพราะสิ่งนี้เท่านั้นเพราะสุขจากวัตถุกรรมเนี่ยมันต้องเสียเงินต้องไปแสวงหา ต้อแย่งจริงบางทีต้องรอบางครั้งต้องลุ้นถึงนี้ส่วนหนึงอันนั้นก็เป็นสุขส่วนหนึ่งไม่ปฏิเสธเราเกิดมาไม่มีใครสอนเราก็ใช้ได้ตัวนี้ยแสวงงาได้มันมีความสุขชนิดหนึ่งที่หลายๆอย่างที่เราควรจะต้องเอามาเลือกเอามาใช้กับชีวิตจิตใจเราโดยที่ไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องไปด้วยอยู่ที่จิตใจเราเนี่ยคือการให้อย่างการทําความสงบก็มีความสุข การมารู้จักตัวเราเองตามความเป็นจริงอันนี้ก็คือสุขสุดยอดเลยสุขแบบไม่กลับมาทุกข์้วยสุขจากวัตถุการเนี่ยที่เราแสวงหาจากสิ่งภายนอกเนี่ยมันเป็นความสุขที่ไม่แน่นอนมันสุขกอไก่สุขไม่สุขเปรียมมันสุขสนุกแทบตายก็มีนะมาเขาใหญ่สนุกแทบตายมันมีนะมันเหน็ดเหนื่อย แต่เราก็ชอบสวงหาความสุขที่เกิดจากการทําสิ่งที่มีคุณค่าความสุขที่เกิดจากการทํางานในชีวิตประจำวันอันนี้ก็เป็นความสุขได้โดยที่เราไม่ไม่ต้องไปสวงหาที่ไหนหรอกในหน้าที่ของเราเนี่ยก็มีความสุขได้อีกมากมายที่ไม่ต้องเสียงเงิน ทำไมเราจรึงต้องเอาความสุขของเราเนี่ยไปผูกติดอยู่กับวัตถุภายนอกด้วยฮะน่าสนใจนะนะทำไมความสุขของเราต้องขึ้นอยู่กับความผูกพันของวัตถุภายนอกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะนั้นอย่าไปยึด ต, ติดเรื่องวัตถุมากเกินไปเลยมันทำให้ใจเราเมันไม่อิสระ ถ้าไม่มีวัตถุเราก็จะไม่มีความสุขมีวัตถุท่านจริงๆมีความสุขก็ไม่จําเป็นเราต้องให้เป็นลายมีวัตถุได้ให้เป็นลายเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านั้นอย่าอิสระทำตามความอยากให้เป็นอิสระที่อยู่เหนือความอยาก อิสระทาตามความอยากเนี่ยเราต้องตกเป็นทาสเสีเงินที่ตอมมากมายอิสระที่อยู่เหนือความอยากได้เมือ่อไหร่ลก็นั่นลหละเราจะได้มีปัญหาชีวิตน้อยน้อยลงเรื่องเราจะไม่มากอย่าวันเนี้ยอยากจะแนะนาเรื่องการแสวงหาความสุขจากการทำงานเท่านั้นในฐานะที่เราเป็นบุคคลที่ทำงานงานประจำงานที่โรงพยาบาล กรุงเทพรัีมานี่แหละนะเนี่ยมันเป็นเคล็ดลับที่ฟังแล้วเอาอไปใช้ได้เลยการแสวงหาความสุขจากการทำงานซึ่งทุกคนต้องทำอยู่แล้วคนเรามักจะแยกแยกนะการ ง, งานก็คืองานเป็นหน้าที่ที่ต้องทำความสุขใกล้กส่วนหนึ่งมันคนละส่วนกันเช่ไหม เราจะแยกกันอย่างเนี้อย่านี้เราเราจะต้องทําถึงสองอย่างนะในระหว่างทํางานทํางานเพื่อเป็นหน้าที่เพื่อจะได้เงินมาจะได้เอาเงินเนี้ยไปซื้อความสุขอีกด้านหนึ่งก็ต้องไปแสวงหาความสุขอีกด้านหนึ่งที่ต้องเสียเงินเสียทองไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงไปสถานที่ต่างๆไปจับใจใช้สอยนั่นแหละคือความสุขใช่ไหมเราสองอย่างเนี่ย แยกกันใช่ชีวิตเราต้องมีมีสองมีสองอย่างเนี่ยต้องแสลงหาทํางานกลางวันเหน็ดเหนื่อยเย็นลงไปหาความสนุนสนานลื่นเลงนะสองอย่างเลยแต่ถ้าเราสามารถเอาสองอย่างมารวมกันเป็นหนึ่งใช่ทางานด้วยแล้วมีความสุขเดียวนะเราทําเพียงอย่างเดียวได้สองอย่างเลยนีอันนี้เรียกว่าเป็นศิลปะในการ ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณค่าเจ้านะะ <c oughs> เราจะทํางานอย่างไรให้มีความสุขวิชาการตอวนิดหนึง่งแต่ว่าอานํามาไปใช้ได้คนที่จะมีความสุขกับงานได้นั้นต้องมีต้องมีความพอใจต้องมีใจที่รักงะต้องชอบงานสิ่งใดที่เราชอบที่เรารักเราก็จะมีความสุขในสิ่งนั้นถ้าทํางานด้วยความเบื่อหน่ายไม่ชอบแล้วเราก็จะไม่มีความสุขเลยต้องชอบสิ่งนั้นอย่างผมที่พูดตะวันเนี้ย ผมเต้นใจมาพูดอยากจะมาพูดคนฟังฟังสนใจหรือไม่ไม่สำคัญแต่ผมได้พูดผมมีความสุขแล้วหน้าที่ของผมมีแค่นั้นคนฟังจะเข้าใจจะรู้แล้วจะตั้งใจหรือไม่ไม่เกี่ยวกับผมผมทำหน้าที่พูดผมก็มีความสุขแล้วนะได้รับความสุขขนาดทาหน้าที่ด้วยนะเหมือนเราอยากจะเป็นนักร้องเนี่ยอยากจะเป็นนักร้องนะ คุณทําหน้าที่ร้องไปเถอะจับไปขึ้นร้องเลยจบของการเป็นนักร้องเรียบร้อยสมบูรณ์ส่วนจะเพาะหรือไม่เพาะนั้นไม่เกี่ยวกับเราแล้วนะแต่เราว่าเราร้องเพราะใช่ไหมเราต้องมีใจรักสิ่งที่เราทํารักงานโดยเฉพาะนี่ยเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพราศีมาเนี่ยงานที่คุณทําเนี่ยเป็นงานที่มีคุณค่านะ มีประโยชน์มีความสําคัญสําหรับคนทั่วไปด้วยเรารักเพราะว่างานนี้มีความสําคัญมีคุณค่าสําหรับเราแล้วก็คนอื่นด้วยเห็นหมถ้าเราคิดในแง่เนี้ยรักงานเพราะงานมีความสําคัญมีคุณค่าแล้วก็เราก็จะกระตือรือร้นในการทํางานจะสนุกกับงานะ ตัวนี้ผมเคยอยากยกตัวอยา่างสักหน่อยหนึ่งผมเคยไปที่จังหวัดเชียงใหม่่าตพี่น้องพวกอยู่นั่นก็เลยไปที่เชียงใหม่ผมไปที่ตลาดทานินผมไปเห็นสอวอผู้สูงวยัย <c oughs> สวาวผู้สูงวัยแต่จริงเดี๋ยวนี้ผมไม่อยากเรียกสวาวว่าสูงวัยนะเรียกสวยทุกวันสุขทุกวันสาวสุขทุกวันสวยทุกวันอ า, อายุประมาณเจ็ดสิบนะที่ตลาดทานนีนะแต่เป็นผู้ชายหลังนีงอหลังค่อมแนละ้วทําน้าที่เป็นยามโบกรถเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่นะ เป็นยามโบกรถโบกรถเข้าโบกรถออกที่ตลาดทานินเนี่ยนะกลางแจ้งอะ่ะเห็นไหฟังแล้วก็เหนื่อยแทนโอ้แต่กลับตรงข้ามเขาทำงานแบบกรจับกระเฉงมากกระตือรือล้นลดูเขาสนุกกับการทำงานด้วยดูน่าจะเครียดเพราะว่าสูงวัยนะแต่ว่าเขามีก็จะกรเฉงมากเรานึกในใจว่าเอ๊ใคร ลูกหลานคนไหนเนาะปล่อยให้ท่านมาทํางานอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยนะมาทํางานลําบากตากแดด ต, ากตา ก, ตากตากสลากตำแบบนี้นะปล่อยมาได้ไงผมก็ไปถามกับญาติญาติผมที่อันบอกว่าที่ตลาดทานันทานินเนี่ยคนเหนือเขาเรียกกาดกาดทานินทําไมปล่อยให้คนสูงวัยมาทํางานแบบนั้นญาติบอกญาติผมบอกว่า เคยมีคนไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์ว่าลุงอายุเท่าไหร่แล้วเขาบอกมันเจ็ดสิอายุเจ็ดสิทําทำงานโบกรถนี่มากี่ปีแล้วสามสิบปีเาบอกว่าทำงานสามสิปีนี่ไม่เบื่อบ้างเหรอบอกว่าโอ้จะเบื่อได้อย่างไรงานที่ผมทำเนี่ยมันไม่ใช่ยย่อยนะ เพราะทุกคนเนี่ยต้องเชื่อฟังผมหมดเลยทุกคนต้องเชื่อฟังผมหมดเวลาผมยกมือเนี่ยรถทุกคันจะเข้ามาในตลาดนี้ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นใครทางนั้นจะเป็นนายตำรวจเจ้าเมืองไม่สำคัญนะผมยกมือเนี่ยเขาหยุดหมดเลยนะแต่ครเวลาผมโบกมือ เขาจึงจะเข้ามาได้ผมตั้งอนุญาตโดยการบอกเหมือนเขาจึงเข้ามาจอดได้นี่มันไม่ใช่ย่อยงานเนี่ยโอ้อะไรเข้าใจว่าอลไเข้าใจเลยนะคือแกเป็นคนเห็นว่าแกเนี่ยมีความสําคัญเป็นบุคคลสําคัญในการทํางานนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถมองคุณค่า ของงานที่เราทำนะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเรามากเนี่ยเราจะมีความสุขแล้วงานก็มีประสิทธิภาพด้วยใช่ไหมเขาเป็นผู้สูงวัยเขายกมือหยุดระบบมือเข้าเนี่ยทำไมคนถึงเชื่อเขาอย่างน้อยวัฒนธรรมวัฒนธรรมคนไทยเนี่ยเชื่อผู้สูงอายุเชื่อฟัง แล้วไม่มีใครคนที่ขับรถอายุเกินท่านคงจะไม่ค่อยมีอนะคนจะอายุอ่อนกับท่านแั่งันก็เลยเชื่อฟังก็งสบายตลาดที่เป็นระเบียบเรียบร้อยโอนี่เป็นแค่ตำการทํางานนะเห็นคุณค่าของงานเห็นความสาคัญของงานเห็นไหะพวกเราในทํางานเป็นเจ้าที่อยู่โรงพยาบาลนะมีความสําคัญมากนะขาดเราสักคนหนึ่งงานอาจจะไม่เสร็จก็ได้เราคือคนหนึ่งเป็นตัวจัด แต่ไม่ใช่เคลื่องจักทางานที่นั่นเห็นีหอมอันนี้ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งเพราะความรักเน็คุณค่าของงาน mm. อีกอันนึงคือความสุขที่เกิดจากว่า mm. เพียงแต่เรามีจิตใจจดจ่ออยู่กับงานที่เราทำนะมีจิตใจจดจอ่อใจที่จดจ่ออยู่กับงานเนี่ยมันมีสมาธิอยู่ในนั้น ไอ้ความวิตกกังวลต่างๆเนี่ยมันยังเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าอยู่กับงานเป็นปัจจุบันอย่างนั้นความกังวลเรื่องอดีตเรื่องที่บ้านกับความกังวลเรื่องผลงานที่จะได้รับในอนาคตมันยังไม่เกิดขึ้นถ้าใจมีสมาธิจดจ่ออยู่กับงานในปัจจุบันใช่มั้ยคนเราที่ทำงานแล้วไม่มีความสุขเพราะอะไรไหมเพราะว่าพอเริ่มต้นทางานใจก็คิดเลย มันจะเสร็จเมนะื่อไหร่เน้อมันจะเสร็จไหมนะ้อเสร็จมาแล้วมันจะดีหรือเปล่าเนี่ยนะฮะยังไม่ได้ทําเลยใจเราคิดกงังวลละก็เป็นทุกข์ก่อนถูกจะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเรามีใจจดจ่ออยู่กับปัจจุบันเนี่ยใจที่ไม่ปรุงแต่งอะไรมากมายเนี่ยมันมีความสุขที่มันไม่สุขเพราะว่าใจเราคิดมากนะการฟังในวันเนี้ยขณะนี้นะถ้าฟังแบบ อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยรับรองทุกไม่เกิดจะฟังแบบเพลิดเพลินไม่จะคุ้นคิดก็เรื่องของในวงที่เราพูดนะแต่เราอาจจะเผลอจิตไปคิดถึงโอนิ้นี่เรายังใช้ไม่หมดเลยนะห่วงคนโน้นห่วงนันนี้ไม่ใช่งานที่เราทำขณะปัจจุบัน ถ้อกับปัจจุบันงนี้จิตใจาจะปลอดโประโลมสบายๆเบาสบายๆความกังวลจะไม่เกิดขึ้นเช่นในที่ทํา ง, งานของเรานะความกังวลจะไม่เกิดเพราะเราไม่ได้คิดฟุ้งซ่านอะไรบางครั้งถ้าเราจะคิดก็คิดได้คิดอย่างมีสติคิดอย่างรอบครอบเนี่ยเราก็จะไม่มีทุกข์มากมีสติในการคิดความสุขมันมีอยู่แล้วในขณะปัจจุบันที่ติดจดจ่ออยู่กับงานทุกครั้งที่ทํางาน มันจะสุกได้ทุกวันนะก่อนที่จะได้รับผลของงานเนี่ยซึ่งจะไปรอ น, นู่นวันที่สามสิบสามสิบเอ็ดแต่วันแรกๆเรามีความสุขมาก่อนแล้วเห็นไหมสังสงความสุขไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอถึงวันสุดท้ายสาสิ 31, เอ็ดราก็ได้รับความสุขอีกครั้งหนึ่งคือมีผลงานออกมาเห็นไหมเนี่ยสุขสาสิบเอ็ดวันไม่ใช่ว่าเราเริ่มทา ง, งานวันนี้จะรอความสุขจากการแต่เมื่อได้รับผลงานโอ้โห ในช่วงนี้เราก็ไม่ได้รับความสุขเลยเผลอไปที่จริงความสุขอยู่ปัจจุบันนี่แหละนะ <Yeah. S 1> แล้วที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือ <Yeah. S 1> การทํางานของเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ย <Yeah. S 1> เป็นงา น, เ ป, น, งานเป็นงานที่เป็นการปฏิบัติธรรมด้วยเป็นการปฏิบัติธรรมที่ไม่ต้องเข้าวัดก็ได้ไม่ต้องไปเข้าคลอสที่ไหนก็ได้ <Yeah. S 1> เพราะขณะทํางานถ้ามีสติจดจ่อตั้งมั่นอยู่กับงานเนี่ย <Yeah. S 1> มันจะเกิดสมาธิ เกิดปัจจุบันอันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการทํำวิปัสนากรรมฐานเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะเป็นการปฏิบัติธรรมเลยเป็นกุศลเลยถ้ามีการปฏิบัติธรรมก็เป็นกุศลเมื่อ น, นั้นคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมีคําคําหนึ่งที่เขาพูดกันบ่อยๆคือการดูจิตเคยได้ยินไหมดูจิต ไหนใครเคยได้ยินบ้างการดูจิตอยกมือเนี่ยไหนใครไม่เคยได้ยินคําว่าดูจิต เ, ออเยอะเหมือนกันไหนใครไม่ยกมือยกมือคือนสิการดูจิตเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมขั้นสูงเลยนะเป็นนิพพสนาคือการดูจิตเราเอง จริงทุกคนก็ดูจิตอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ตัวว่าเราดูจิตไหนใครไม่มีจิตไห <c oughs> นใครไม่แน่ใจว่าเรามีจิตหรือเปล่าอันนี้จะแนะนำวิธีการดูจิตง่ายๆขณะทํ า, าทงานนี่เป็นการปฏิบัติธรรมเยเห็นไหมขณะที่เรามีสติจดจ่ออยู่กับงาน ในขณะปัจจุบันนะสมาธิก็เกิดขึ้นสติสมาธิอันนี้เป็นกุศลแล้วกันเลยเป็นบุญแั้ันเลยซึ่งทุกคนต้องใช้สติไม่มาปัญญาไม่เกิดสติตเลยจะเกิดปัญหาอะไรจะมาเมื่อกี้ว่าพอสติตั้งมั่นเนี่ย ขณะทำงานนะเราเคยสังเกตไหมว่าเรามีความคิดเคยสังเกตไหมถ้าไม่คิดเนี่ยมันทางานไม่ได้หรอกมันต้องมีความคิดในขณะปัจจุบันนั้นความคิดมันมาจากไหนมาจากคนอื่นหรือมาจากใจเรา พอผมถามแล้วทุกคนเงียบเนผมก็รู้สึกกังวลนะไม่รู้ก็จะมาไหมไหนใครเป็นผู้ ผ, ผลิตความคิดจิตใจของเราเองใช่ไหมเนี่ยคนตายผลิตความคิดได้ไหมนะแต่ว่าเรายังไม่ตายเราจึงคิดได้ <c ười> นอกจากคนที่มีจิตใจเลื่อนลอยไม่รู้ว่าเราคิด เพราะเราลอยไปคิดตะแล้วเ น, เน่เมื่อเราทำงานเพราะติดใจมันคิดปัด๊บเคยสังเกตไหมเราจะคิดอยู่สามอย่างทุกจิตทุกใจทุกคนต้องคิดอยู่สามอย่างอันดับแรกคือคิดพอใจนี่นะพอใจอยากได้อยากเป็น อยากเป็นเจ้าของอยากมีเคยมีไม่เวลาทำงานมีนั่นละถอเห็นปั๊บเนี่ยเราเห็นแล้วเมื่อกิดมันเกิดความพอใจยินดีถ้ามีสติรู้เราปฏิบัติธรรมเรียบร้อยละพอใจเราก็รู้สวิงไปอีกด้านหนึ่งเราเคยไหมเวลาเริ่มทำงานแล้วเกิดความไม่พอใจอ่ะ ความไม่พอใจความมิตกกังวลความไม่อยากได้ความเบื่อกลุ้มเ็งเหงาความขี้เกียจมีไหมถ้าเรารู้ทันปั๊บนั่นเราทำวิปัสนาแล้วเราทำกรรมฐานแล้วขณะทำงานนะและอีกอันหนึ่งคือบางทีมันเฉยๆอ่ะมีไหมใจเราเฉย จะพอใจก็ไม่ใจจะไม่พอใจมันเฉยเฉยเป็นกลางๆมีไหมถ้ามีสติรู้อ้เนี่ยเราได้ทำพิปัสนากรรมฐานเรียบร้อยแล้วเนเราเคยดูอย่างนี้บ้างไหมถ้าใครเคยถ้าใครดูอย่างนี้นะมีสติรู้ว่าใจเราคิดอะไรพอใจไม่พอใจเฉยเฉยเนี่ยเราจะมีสติมีใจที่อยู่เหนืออารมณ์เหนืออารมณ์ พอใจก็เป็นอารมณ์ไม่พอใจก็เป็นอารมณ์พอใจอารมณ์ดีไม่พอใจอารมณ์ไม่ดีกลางกลางนี่อารมณ์เป็นปกติไม่ขึ้นไม่ลงสามอย่างนี้จิตเราจะเหนืออารมณ์อารมณ์พอใจไม่พอใจที่เจยเนี่ยมันจะครอบงำใจเราไม่ได้ก็เรียกว่าจิตที่บริสุทธิ์เป็นความสุขที่บริสุทธิ์นะมันหาได้ในชีวิตประจําวันเราดูตรงนี้เถอะ สามอารมณ์เนี่ยไม่มีใครมีอารมณ์เกินสามอารมณ์หรอกนอกจากจิตใจที่เลื่อนลอยไม่รู้อารมณ์เลย <c oughs> มีความพอใจคือด้านบวกไม่พอใจด้านลบกลางกลางคือเป็นปกติสามอารมณ์เท่านั้นถ้าเรารู้ทันได้แล้วก่อนนี่ยเราได้ไปฏิบัติธรรมในขณะทํ า, าหน้าที่ถ้าตามดูบ่อยๆทุกวันทุกวันเนี่ย เราจะไปการปฏิบัติธรรมทุกวันนะแล้วได้บุญทุกวันด้วยได้บุญทุกวันโดยไม่ต้องเสียเงินนะฮะได้บุญทุกวันแล้วทำบ่อยๆเนี่ยเราจะเข้าใจชีวิตเข้าใจตัวเองเอาธนะใจเราเองได้ไม่ตกเป็นทาสอารมณ์ตัวตนจะลดลงความทุกข์จะน้อยลงแต่ความสุขเพิ่มขึ้น เป็นความสุขสงบเย็ยนมีความสดใสเบิกบานจิตที่สดใสเบิกบานมีความสุขเนี่ยมันทำงานดีไห ม, ไมเราก็มีความสุขการทำงานคนที่อยู่ใกล้เราก็มีความสุขงานก็มีโอกาสจะสาเร็จได้สูงเพราะใจที่เป็นปกติไปทำงานการแก้ปัญหาด้วยใจที่เป็นปกติเนี่ย ที่มีความสุขเนี่ยมันแก้ปัญหาได้ง่ายมากบางทีไม่เห็นอะไรว่าคือปัญหาอะไรได้ําไปนะมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะนี่เป็นธรรมชั้นสูงนะอาจจะบรรลุธรรมขณะทำงานก็ได้นะมันเป็นไปได้นะนะไม่มีใครทำได้แต่เราเนี่ยอาจจะทำได้อนะ่นอกจากเราจะเพี้ยน เห็นะไม่ต้องกลัวว่าจะเพี้ยนถ้ามีสติความเพี้ยนเกิดไม่ได้คนขาดสติเท่านั้นที่จะเพี้ยนนะ เ, เพราะว่าสติมาและปัญญาจะเกิดแก้ปัญหาชีวิตแก้ปัญหาเรื่องงานเคยมีเรื่องเล่านะมีพระบวชในพุทธศาสนา น, ะนิกายเซนนิกายเซนก็ถือว่าเป็นพุทธศาสนาอีกหนึ่งเขาทำงานแล้วปฏิบัติธรรม หลังจากฉันเรียบร้อยแล้วก็ลงมาเอาไม้กวาดกวาดพื้นเป็นการผ่อนคลายย่อยอาหารกวาดพื้นกวาดลานวัดนะกวาดไปเรื่อยเนี่ยกวาดไปกวาดไปเนี่ยเขากวาดไปถูกหินเนี่ยหินมันกระเด็นไปถูกปิ๊บดังปุ้งเขาวางไม้กวาดกราบทันทีเลยเขาบรรลุธรรมเรียบร้อยแล้วนีขณะทํางานที่ประจําวันกวาดพื้นบรรลุธรรมได้ เพราะนั้นทุกคนเนี่ยมีสิทธิการรู้ธรรมเนี่ยการรู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกขนาดจิตคือรู้เรื่องตัวเรารู้เท่าทันอารมณ์ตัวเรารู้เท่าทันจิตใจเรารู้เท่าทันความคิดเพียงแค่มีสติรู้เฉยๆนยรู้เฉยๆรู้จิตใจที่มันคิดปรุงแต่งพอใจก็รู้ไม่พอใจก็รู้เฉยๆก็รู้รู้แล้วเอาชนะ อารมณ์ตัวเองด้วยการปล่อยให้มันผ่านไปเท่านั้นเองชนะแล้วต้องทำไรเลยไม่ต้องห้ามไม่ต้องบังคับไม่ต้องผลักไสไม่ต้องต่อเติมไม่ต้องปรุงแต่งแค่รู้ใจเจ๋ปล่อยอารมณ์นั้นผ่านไปเอาชนะอารมณ์เรียบร้อยแล้วเอาชนะศัตรูโดยการที่ไม่ต้องทําร้ายศัตรูเลยคือปล่อยมันผ่านไปจะเป็นอารมณ์ดีก็าตามไม่ดีก็าตามที่เจก็าตามมันแน่นอนไหม มันเที่งแท้นแน่นอนไหมเนี่ย <Yeah. S 1> ไอ้ที่โกรธเมื่อวานเนี่ยตอนนี้โกรธ อ, อยู่ไหมมันโกรธแต่เมื่อคุณคิดนะ hmm. เพราะบางคนจะมีสิ่งค้างคาใจาอยู่นะ <c oughs> มันโกรธแต่เมื่อเราคิดอ <c oughs> ไอ้ที่หัวเลาะล่าเลยเมื่อวานในตอนเนี้ไอ้เรื่องเมื่อวานเนี่ยมันจบไปแล้วแต่วันนี้ก็อีกเรื่องนึง <c oughs> มันไม่แน่นอนหรอกมันมีตัวตนอยู่จริงไหม ไอ้ความพอใจไม่พอใจหรือเฉยๆ เ, เนี่ยมีไหมมันมีตัวตนอยู่จริงไหมถ้ามีก็จับมาให้ผมดูหน่อยว่ามันเป็นยังไงแนละ้วไอ้ความพอใจ <c oughs> มันมีแต่เมื่อเราแสดงออกทางสีหน้าแต่ก็ไม่แน่นอนหรอกบางทีหน้าชื่น อ, อกกลมก็มีนะนล้วไม่แน่นอนนั้นทุกอย่าง จะเป็นอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีหรืออารมณ์กลางๆเนี่ยมันไม่แน่นอนทางนั้นและมันไม่มีตัวตนอยู่จริงเรารู้ทันสัจธรรมข้อนี้ถ้าเราเหนืออารมณ์เหนือตัวเราเหนือโลกเหนือโลกคือเหนืออารมณ์อารมณ์ของโลกคือพอใจไม่พอใจเฉยๆนั่นคืออารมณ์ของโลกเห็นไหมเนี่ยถ้าเหนือตรงนี้ได้แล้วก็เราก็จะพ้นจากอารมณ์เนี่ย มันพ้นทุกข์โดยสิน้นเชิงง่ายๆนะเป็นความสุขที่สงบเย็นสุขอื่นเหนือจากความสงบไม่มีนะเ น, นี่ยอันเนี้ยเป็นความสุขจากการทำงานและประโยชน์สามอย่างเลยนะง่ายๆสามอย่างเนีย่ยที่บอกเมื่อกี้เนี่ยเห็นคุณค่าของงานเราก็มีความสุขรักงานก็มีความสุขแล้วก็ได้ มีจิตใจจดจ่อหยุบงานก็มีความสุขได้ไปฏิบัติธรรมด้วยที่เรื่องการทํางานมีอย่างหนึ่งก็คืออุปสรรคเนี่ยสําคัญมากอุปรสรรคเนี่ยสนุกตอนอุปรสรรคเนี่ยมีงานไหนที่ทําแล้วไ ม, ไม่ไม่มีอุปรสรรคบ้างไม่มีหรอกไม่ทํางานยังมีอุปรสรรคเลยอุปรสรรคหรือปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาต้องเจอวิธีการเอาชนะอุปรสรรคง่ายมาก คนเราเนี่ยมีจุดอ่อนอยู่อย่างหนึง่งชอบสร้างความหวังหวังให้กลแล้วไปให้ถึงถ้าไปไม่ถึงก็หมดหวังอ่ะชอบสร้างความหวังไว้มากจนเกินไปตรงนี้ทำให้คนเราต้องเป็นทุกข์เพราะสร้างความหวังบอกเลยว่าเคล็ดลับในโลกเนี่ย คนเราเกิดมาในนี้ยมีแต่เรื่องสิ้นหวังหมดหวังทั้งนั้นแหละคนเรามีแต่สิ่งในโลกนี้มีสิ่งที่หมดหวังทั้งนั้นอ่ะนะสังเกตดูนะชีวิตที่คุณผ่านมาเนี่ยมันสมหวังหรือผิดหวังมากกว่ากันขอคิดดูก่อนนะตอบได้เลยว่าผิดหวังมากแต่คุณตื่นนอนมาตอนเจ้าก็ตั้งหลับไปเนี่ยนี่จะความผิดหวังทั้งนั้นเลยนะแต่เราไม่เข้าใจว่านั่นคือความผิดหวัง พอผิดหวังปั๊บลังไปหาความหวังใหม่ผิดปั๊บหาใหม่หาใหม่มันเริ่มจากความผิดหวังก็าทางนั้นนะลืมตาตื่นขึ้นมาคุณอยากจะนอนต่อใช่ไหมหามันนอนไม่ได้เลยต้องรีบลุกไปผิดหวังแล้วอยากนอนเริ่มนะเริ่มตต่ก็ผิดหวังซะแล้วแต่บางคนก็เอ๊ะเราไม่มีอะไรทำเนี่ยเราก็นอนต่อได้เชิญคุณนอนไปเถอะ ถักทักคุณก็เบื่อแล้วเอาไหมนอนทัเกเจ็ดวันมันผิดหวังตลอดแหละแล้วยาอย่างนี้มันไม่ได้อ่ะตื่นมาแล้วเนี่ยต้องเข้าห้องน้ำจริงไม่อยากเข้าห้องน้ำนะอยากไปทำอย่างอื่นแต่มันต้องเข้าห้องน้ำก่มันปวดแล้วผิดหวังแล้วไม่อยากเข้าจะไปทำอย่างอื่นแต่มันต้องเข้าห้องน้ำก่อน บางทีต้องต้องกลั้นไว้ก่อนด้วยซ้าไปคุณสุดท้ายต้องไปเข้าห้องน้ำแต่พอเข้าไปนั่ ง, งจริงๆนี่มันไม่ออกซะแล้วมันถ่ายไม่ออกท้องมันผูกโอ้ผิดหวังลนะอันนี้แค่แค่ตัวอย่างนะเอามันชัดเจนหน่อยคือเราไม่อยากทำงานเราก็ต้องทำอ่าใชไหม ไหนใครอยากแก่บ้างแต่ความแก่ก็มาเยือนโดยที่ไม่ได้รับเชิญนะเราเกิดมาวันแรกเราแก่หรือยังแน่ใจเหรอเราแก่ตั้งแตบบ่วันแรกแล้วนะ วันต่อมามันก็แก่วันที่สองก็แก่เรื่อยๆเราแก่มาสองวันเราแก่มาแล้วหนึ่งปีอายุหนึ่งขวบคิดว่าอย่างเด็กอย่างเล็กไม่ใช่เราแก่มาแล้วหนึ่งขวบแก่นะคาว่าแก่คือมันมันเสื่อมว่าไงวะตัวมันเสื่อมเริ่มเกิดมา ก, ก็เริ่มเสื่อมแล้วบอกอ๋อนี่เราจะเติบโตเปล่านะเราเริ่มเสื่อมโตขึ้น น, นั่นอะเสื่อมจนทั้งหนึ่งสองสามก็ตาย ร้อยปีก็ตายเราไม่อยากแก่มันก็ต้องแก่ผิดหวังไหม <c oughs> เราอยากเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่อยากแต่มันต้องป่วยนะ่าผิดหวังลนะเมื่อป่วยแล้วอยากให้หายมันไม่หายก็ผิดหวังลนะใครอยากตายบ้างไม่อยากแต่มันต้องตายผิดหวังแล้วงั้นอ่ะใครอยากพบกับความพัดพลากในชีวิตบ้างแต่มันต้องพัดพลาก บางคนรอความตายไม่ได้นะมาถึงว่าเราต้องตา ย, ยแล้วรอไม่ได้เพราะว่าเพราะมีความทุกข์บีบคั้นอกหักรักหายผิดหวังผิดหวังมากจำเป็นต้องฆ่าตัวตายก่อนมีนะไปฆ่าตัวตายกางจะฆ่ามีคนมาห้ามมาช่วยเลยไม่ตายพิดหวังอีกแม้จะฆ่าตัวตายยังพิดหวัง ในโลกนี้มีสิ่งผิดหวังทางนั้นอันนี้ไม่ได้พูดให้เราท้อแท้หมดกำลังใจนะไม่ได้ให้หมอโลรรดิแง่ร้ายแต่เป็นความจริงต้องบันเทิญเลยถ้าเราเข้าใจตรงเนี้ยเราจะสมหวังนะมีคนบางคนมาหาผมว่าชีวิตเขานี่ผิดหวังมากท้อแท้มากจะทําไงให้เราสมหวังกะทีไม่ยากคุณมีความหวังใช่ไหมคุณเปลี่ยนโปรแกรมใหม่เลยคุณลองไม่หวังสิ ลองไม่หวังเลยแล้วคุณจะสมหวังคีวิตเรานี่มีแต่วความผิดหวังนะตั้งไว้แบบนี้นะเราต้องเจอความผิดหวังนะแน่รับรองใช่ไหมพอเราใช้ชีวิตไปเนี่โอ้ไอนั่นก็ผิดหวังนี่ก็ผิดหวังมันสมหวังเลยนะ <c ười> นะผมเปลียนโปรแกรมใหม่แล้วบอกไม่ต้องไปคาดหวังอะไรตะ้คุณทําหน้าที่ไปเถอะแล้วสิ่งที่คุณต้องการมันจะได้นใจหวังอยู่แล้ว โดยที่มันลอยอยู่ข้างหน้าอย่างคุณทำงานเนี่ยนะคุณตั้งใจไว้เลยว่าวันเนี้ยเราต้องเจอปัญหากับงานต้องเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจแน่นอนคุณลองตั้งแบบนี้สิล้วลองคุณได้เจอนะพอได้เจอปับ๊บเนี่ยงานงานเห็นแล้วเห็นไหมุณจะมีความสุขนะ คุณเจอหรือว่าอะไรก็ใช่ถูกใจบางทีที่มันถูกใจมันไม่ถูกต้องขอให้มันถูกใจคุณจะผิดหวังวันนี้เราต้องเจอปัญหากับงานแต่ถ้าเจอปัญหากับงานเราจะฝึกแก้ปัญหาอย่างนี้สิมันจะเป็นการพัฒนาจิตเราเราจะพู้ที่เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาเราจะฉลาดในการแก้ปัญหา นะนะอันนี้มันมีการใช้ชีวิตยอย่างมีความสุขได้นะ <c oughs> แก้ปัญหาอ่าอย่างเช่นว่าสมมติว่าเราอาจจะเจอปัญหากับงานอย่างหนึ่งกอแก้ไขไปเจอปัญหากับเพื่อนร่วมงานโดยเฉพาะเจ้านายผู้บังคับบัญชาหัวหน้าเนี่ยบางทีมันก็สร้างปัญหากับเรามากนะ เราผมพูดได้เพราะตรงนี้ผมไม่มีหัวหน้าพูดในเชิงพัฒนามีปัญหากับหัวหน้าหัวหน้าไม่เข้าใจเราบางทีเราก็ไม่เข้าใจหัวหน้าเราต้องเราต้องเข้าใจหนึ่งว่ายอมรับความเป็นหัวหน้าคาว่าหัวหน้าเนี่ยกาลปีเช่าก็จะมีมาก เรานึกถึงรถยนต์เนี่ยรถยนต์เนี่ยมันมีตอนหัวกับตอนหน้านะมีหัวหน้าเนี่ยคาว่าหัวหน้าของรถยนต์เนี่ยด้านหน้าเนี่ยโอ้มันเจอทั้งแดดเจอทั้งฝุ่นเจอทั้งน้ําเขาต้องผู้ที่ลุยหัวหน้าต้องลุยรับผิดชอบมากมายหัวรถเนี่ยมันลุ ย, ล ย, ล ย, ลยไปเจอแดดเจอฝนุนเจอฝุ่นเมื่อดีไปจูบ ก, กับอะไรเข้าเนี่ยหน้าบุบ <c oughs> ยับเยินมันเราเห็นหัวหน้าไม่ยิ้ไม่ธรรมดา ส่วนหน้าก็ต้องบุกยับเยินแบบนี้แหละหัวหน้าก็ต้องไม่ค่อยยิบหน้าเครียดะถูกทนมาแล้วเราต้องเข้าใจับว่าหัวหน้าเพราะเขารับผิดชอบงานมากมายเสียหายหัวหน้ารับก่อนเราต้องให้ความเคารพให้ความไว้วางใจเชื่อฟังหน่อยบางทีไปชนอะไรมาบุกยับเยินต้องเข้าใจเขาผมเองนี่เคยเป็นลูกน้องมาก่อน ผมจะตั้งใจว่าการทำงานครั้งนี้ผมจะเชื่อฟังหัวหน้าเชื่อฟังผู้บระคับัญชาโดยที่ไม่โต้แยง้งผมทำเนี่ยถัว่าเป็นผู้น้อยค่อยก้มพนมก่อนลำบากเสียก่อนค่อยสบายเมื่อปลายมือแล้วก็ได้ผลนะผมทำงานแค่3ามปีนะ วันหน้าไม่เคยรังเกียจเลยช่วยเลยทุกอย่างชีวิตการจะดีอยู่แล้วพอดีถูกกรรมมาตัดหลอนทำงานแค่สามปีรับราชการประตบอบัติเหตุซะก่อนก็อยู่ในสภาพแบบนี้อุบัติเหตุคือผมสอนอยู่ในวิทยาลัยพระึกษาแห่งหนึ่งผมสอนวิชาว่ายน้ำสาธิการกระโดดน้ำลงไปในสระว่ายน้ำพุ่งทิศ พุมงหลาลงไปในน้ำเกิดภาพท้าศีราะไปกัะแทากับพื้นก้นสะเลยมีผลทำให้กระดูกคอนับที่ห้านี่หักข้อหักคุณหมอชนินยึงบอกว่าเนี่ยข้อหักเอากระดูกมาให้ดูแล้วก็เนี่ยหักแบบนี้เลยขอ้อเนี่ยร่างกายเลยเป็นอัมพาตตั้งแต่รํานต้นมาพอสอร122 สามสิบเอ็ดปีแห่งความหลังแต่ก็มีความสุขอยู่ได้นั่นคืออดีตที่ผ่านมามกรรมมาตัดหลอนไม่อยากจะโทษกรรมอะเราประมาทเองละขาดจึงมีสภาพเช่นนี้ทำงานได้แค่สามปีชีวิตจะดีอยู่แล้วกำลังจะบวชกำลังจะแต่งงาน ไอ้ที่บอกว่าการแต่งงานพ่ะจะได้บอกว่าตอนนี้โสดกําลังจะแต่ยังไม่แต่งต่อไปก็จะไม่แต่งเพราะไม่มีใครเขาจะมาแต่งก็แต่งกับงานใช่เริ่มทำงานด้วยการตั้งคิดติอยู่ว่ามีสุภาพิตว่าเป็นผู้น้อยค่อยก้มพนมก่อน ลำบากเสียก่อนค่อยสบายเมื่อปลายหนึง่งก็สบายเห็นไหมนั่งกินนอนกินเมื่อปลายมือจริงๆก็สบายจริงๆนะไปลายแล้วก็มีคนช่วยวันนี้มีคนมาช่วยผมเยอะเลยสบายเลยนะก็ทํางานอย่างเนี้ยนี่คือลูกน้องมองหัวหน้านีิสมว่าถ้าเราเป็นหัวหน้าเราควรจะมองลูกน้องอยังไงหัวหน้า มองลูกน้องด้วยความเมตตายุติธรรมนะเพราะว่าคำว่าลูกน้องเนี่ยเขาหมายถึงหลานช่ไนหะเพราะเขาเป็นลูกของน้องเราอะ่ะน้องเราเราก็รักและลูกของน้องคือหลานเราจะไม่รักได้อย่างไร <c oughs> ให้ความยืดทําให้ความรักเขาเหมือนกั น, นก็จะเข้าใจกัน กุญแจไขาไปสู่ความสำเร็จทางด้นานจิตใจเนี่ยก็คือความเข้าใจกันหัวหน้ากับร้องต้องเข้าใจกันต้องยอมรับในความบกพร่องซึ่งกันและกันเนี่ยคือกุญแจไขาก็อยู่กันได้อย่างมีความสุขไม่มีปัญหานะเพราะไม่น่าจะเป็นปัญหาคนที่เข้าใจตรงนี้นะไม่มีปัญหาหรอก แม้ว่าคนรอบข้างจะมีปัญหากับเราเราไม่มีปัญหากับใครเพราะเราเข้าใจเขาว่าเขาขี้บ่นอย่างนี้เองเขาขี้เกียจอย่างนี้เองเราเข้าใจเขานะสบายเลยอันนี้คือการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักเอาปัญหาของงานมาเป็นบทเรียนในการแก้ปัญหาชีวิตเนี่ยจะโชคดีมากไม่ใช่ว่าเราแก้ปัญหางานสําเร็จแล้ว ปัญหาชีวิตจะล้มเหลวไม่ใช่ปัญหาชีวิตก็จะมีความเข้าใจและมีวิธีการแก้ปัญหาด้วยเห็นหการทำงานมีปัญหาแล้วรู้จักแก้ปัญหาเนี่ยแต่ว่าปัญหาของงานเนี่ยคือครูสอนให้เรามารู้จักแก้ปัญหาชีวิตเมื่อเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจไม่เจอสิ่งที่เป็นอุปสรรคกับเราในโลกนี้มีแต่อุปสรรคทั้งนั้นถ้าเราไม่เข้าใจเราจะได้แก้ปัญหา เพราะบางครั้งงานอาจจะไม่สาเร็จงานไม่จะเป็นต้องสาเร็จทุกครั้งไม่ต้องสาเร็จเสมอไปหรอกนะบางทีไม่สาเร็จอาจจะมีการบริหารจัดการไม่ถูกต้องก็ไม่สาเร็จแต่งานไม่สาเร็จแต่ใจเราไม่เป็นทุกข์อันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมงานอาจจะล้มเหลวแต่ใจไม่ล้มเหลวคือใจไม่ทุกข์อันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมคือการทาใจให้ไม่ทุกข์ แม้สิที่ปรากฏอาจจะไม่ได้ดังใจก็ได้แต่ใจไม่ทุกเนีย่ยเป็นเป็นความสุขถ้าใจไม่ทุกแล้วมันมีความสุขงานบางทีมันล้มเหลวนะมันอาจจะไม่แน่นอนนะแต่ใจเราเนี่ยมันไม่ล้มเหลวมันไม่ทุกขก์ใช้ได้แล้วมีตัวอย่างหลวงพ่อกำเกียนสุวรรณโนเนี่ยผมตับตื่นแต่เปรนครูบาอาจารย์ หลวงพ่อพอมเคสวรโนนี่ยเป็นครูบาอาจารย์อยู่วัดป่าสุขระโตที่จังหวัดชัยภูมิตอนนี้ท่านก็อายุเจ็ดสิบกว่าแล้วท่านเริ่มบวชเมื่ออายุสามสิบพอเริ่มบวชท่านเริ่มทํางานเลยท่านเป็นพระสอนธรรมะสอนวิปัสสนากรรมฐานสอนเรื่องการเจริญสติส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งท่านเป็นผู้ที่รักธรรมชาติเป็นผู้อนุรักษ์ป่าเป็นผู้ที่ปลูก ป, ป่า หลวงว่าในปลูกป่าตลอดเวลาเลยนะท่านบอกท่านจะปลูกต้นไม้ให้ได้หนึ่งล้านต้นพอท่านเริ่มปลูกป่าปลูกต้นไม้ท่านเอาใจใส่ดูแลบางทีต้นไม้ก็ตายไปเยอะถ้าท่านไม่ดูแลท่านไม่ว่างต้นไม้ก็ตายปลูกเท่าไหร่เนี่ยบางทีก็ตายบางทีก็ถูกไฟป่าเผา บางทีตู่ชาวบ้านรักตัดก็มีนะถ้าบอกว่างานทํางานปลูกป่าหลวงพ่อนี่ล้มเหลวมากแต่ชีิตหลวงพ่อนี่ไม่ล้มเหลวนะท่านแบ่งแยกว่างานคืองานชีวิตคือชีวิต ค, ตคลนละอย่างกันงานล้มเหลวแต่ชิตท่านไม่ล้มเหลวคือท่านไม่เป็นทุกข์กับสิ่งที่ท่านทําแต่ท่านก็ทำไปเรื่อยๆนั้นพวกเราก็เหมือนกันนะงาน อาจจะไม่สำเร็จอาจจะมีปัญหาแต่ใจเราไม่มีปัญหาใจเราต้องไม่เป็นทุกข์ด้วยงานไม่ใช่ชีวิตถ้าใครเอางานคือชีวิตล้วก็คุณคือเครื่องจกักรไม่ทำงานเมื่อไหร่แล้วก็เราจะมีความทุกข์ความไม่ทุกข์ต่างหากคือชีวิตงานคือส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตแต่ความไม่ทุกข์นั่นคือชีวิตนะเนี่ย แล้วเราต้องฝึกฝึกเอาการงานมาเป็นการแก้ปัญหาเนี่ยเราจะรู้จักตัวเองมากยิง่งขึ้นไม่พึ่งวัตถุไม่พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์พึ่งตัวเองไม่พึ่งผู้วิเศษไม่พึ่งหมอดูด้วยนะบางคนจะมีความสุขต้องไปหาหมอดูก่อนให้ดูดวง ของขังของศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนหามาเคยไหมเนี่ยไปหาหมอดูหมอดูนี่ก็เป็นหมอดูที่มีที่ผลมากนะถ้าเราไปหาหมอดูนี่กลับมาเราจะสบายใจหมอดูจะพูดเก่งพูดเก่งให้กำลังใจคนเก่งบางทีทำให้คนจิตตกก็เก่งนะผมเคยมีประสบการณ์อย่างหนึ่งก็คือมีญาติกันเนี่ย เขาทางานแล้วเขามีปัญหางานประสบไม่ประสบผลสาเร็จเขาไปหาหมอดูภรรยาไปหาหมอดูทําไมงานจึงไม่ประสบผลสำเร็จหมอบอกว่าคุณต้องเปลี่ยนชื่อ <c oughs> ชื่อคุณนี่ไม่ดีคุณเปลี่ยนชื่อเอาเปลี่ยนชื่อนะภรรยาเปลี่ยนชื่อก็อยังไม่ดีไปหาห ม, หมาดูใหม่มาดูว่าคุณต้องให้สามีเปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนนามสกุลด้วยโอ้โห สามีรับไม่ได้ชื่อนามสกุลนี่คุณพ่อคุณแม่ให้มาเป็นนาทูกลของบ้นานพระบุรุษไม่ยอมเปลี่ยนภรรยาบอกถ้าไม่เปลี่ยนนี่ชีวิตเราจะไม่ก้าวหน้านะต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลนะสามีไม่ยอมภรรยายื่งคำขาดถ้าไม่ยอมเนี่เราอยากกันนะสามีเอ้อยากก่อยาก็อย่าอย่ากันแนละ้วอาจจะชีวิตดีก็ได้จบแยกกันเลย หมอดูทำให้สามีภรรยาแยกกันมีลูกหนึ่งคนลูกย่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงใครดีก็ไม่รู้อยู่กับแม่อยู่กับพ่อแล้วอยู่กับพ่อก่อนต่อไปไปอยู่กับแม่ไม่รู้บ้านไหนนะเ <c oughs> <c oughs> พราะท้ายภรรยาชีวิตก็เหมือนเดิมสามีมีภรรยาใหม่รวยกว่าเก่าด้วยชีวิตดีกว่าเก่าด้วยพ่อไม่เปลี่ยนชื่อไม่เปลี่ยนนามสกุลแต่ภรรยายังแย่เหมือนเดิมเหม่นไนั้น การเปลี่ยนชื่อไม่จำเป็นเปลี่ยนวิธีคิดจำเป็นกว่าเปลี่ยนมุมมองชีวิตเส้นใหม่เปลี่ยนความประพฤติใหม่ไม่ต้องเปลี่ยนชื่อก็ได้หรือเปลี่ยนก็ได้อยากจะร่ำรวยเปลี่ยนชื่อว่าสารวยแต่ขี้เกียจเหมือนเดิมมันก็ไม่รวยหรอกเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนความประพฤติดีกว่าเปลี่ยนชื่อนะ เปลี่ยนชื่อมันจะอาจจะมีปัญหาเรียกยากบางทีเขาเรียกเราเราเปลี่ยนแล้วเราลืมหันไปก็ได้เพราเราเราเปลี่ยนแล้วเราลืมแล้วเราเปลี่ยนแล้วอาจจะเล่าเรื่องสนุกให้ฟังสักเรื่องหนึ่งนะ อ, ะ เ, รอเรื่องหมอดูนี่แหละที่เมืองจีนเมืองจีนสมัยโบราณมีหมอดูท่านหนึ่งเนี่ยดูได้เก่งมากเลยมีชื่อเสียงมาก ก็เขามีการสอบคอลัราชการมีชายสามคนเป็นสอบราชการสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อยากจะรู้ว่าสอบได้หรือเปล่าก็ไปหาหมอดูคนนี้ก็ไปถามว่าผลจะเป็นยังไงถามแล้วนะหมอดูยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วยกนิ้วชี้มาหนึ่งนิ้วแล้วก็กลับบ้านได้ให้กลับบ้านได้ แต่อยากจะถามวหนึ่งนิ้วหมายถึงอะไรนอนพยายามจะทักถามเท่าไหร่หมอดูก็ไม่พูดอะไรยกหนึ่งนิ้วแล้วกลับบ้านได้กลับบ้านไปเรียบร้อยแล้วรู้สึกของหมอดูก็มาถามว่าอ่ออาจารย์ครับหนึ่งนิ้วนี่หมายถึงสอบได้หนึ่งคนใช่ไหมครับหมบอว่าใช่แล้วเ อ, อถ้าเขาสอบได้สองคนล่ะครับ เขาสอบได้สองคนแสดงว่าสอบตกหนึ่งคนไงอ้าวแต่เขาสอบได้ทั้งสามคนนะถ้าเขาสอบได้ทั้งสามแสดงว่าทั้งสามคนนั้นสอบคราวเดียวกันได้ทั้งสามคนเลยอ้าวถ้าเขาสอบตกทั้งสามคนล่ะสอบตกทั้งสามคนแสดงว่าเขาทั้งสามคนสอบกันในคราวเดียวตกทั้งสามคนเลย แปลว่าหนึ่งนิ้วนี่ถายได้ทั้งหมดเลยหมอดูอมักจะมีท่ายแบบเป็นกลางกากักเอาไว้กันเอาไว้ตัวเองต้องผิดพลาดแล้วเวลาหมอดูท่ายทายผิดนะอ่ะก็ว่าดวงเราไม่ดีเวลาหมอดูท่ายถูกก็จะมีเอกราชมากมายใชเพราะเราไปเชื่อคนอื่นไปฝากความหวังกับคนอื่นไปฝากความสมุขไว้ที่คนอื่น เราจึงเกิดปัญหาอย่าหวังกับคนอื่นคนอื่นนะถ้าเราผิดหวังอย่าไปคาดหวังกับใครนะเพราะคนอื่นไม่แน่นอนแม้แต่ตัวเราเองยังหมดหวังเลยจะไปคาดหวังกับใครต้องเชื่อตัวเองความสุขนั้นเราหาได้ไม่จะไปต้องพึ่งพาวัตถุเสมอไปหรอกความสุขมีให้เลือกมากมายความสงบก็เป็นความสุขการมารู้จักตัวเองที่แท้จริง ก็มีความสุขยิ่งการทํางานก็มีความสุขยิ่งนั้นเราสามารถแสวงหาความสุขได้ความสุขที่แท้จริงนั้นสําคัญอยู่ที่ใจเราอยู่ที่มุมมองของเราถ้าเรารู้จักมองโลกและชีวิตอย่างรู้เท่าทันเราจะมีความสุขได้ยืนยาวมาก ให้รู้ความจริงของโลกและชีวิตว่าทุกอย่างมีแต่ความเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนและเราไม่สามารถควบคุมมังคับะัชาได้อย่างแท้จริงหรอกทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเป็นที่ที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันเลยถ้าเรายึดมั่นถือมั่นเราจะเป็นทุกข์นะต้องรู้ต้องรู้ทันต้องเข้าใจ ความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั้นไม่ใช่ว่าจะไม่ทำอะไรเลยทำแต่ทำแบบไม่ยึดมั่นถือมั่นทำแบบปล่อยวางทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็รู้จักปล่อยวางทำสิ่งที่ดีให้มันดีต้องปล่อยวางแม้แต่ความดีเพราะถ้าเราทำดีแล้วถ้ายังติดดีอยู่ในอ่ะเราจะเป็นทุกข์นะ ทุกป้ายความเป็นคนดีของเราเราทำความดีใครว่าเราไม่ดีถ้าเราติดดีเราจะเป็นทุกทันทีเราทำความดีถ้าไม่ได้สิ่งที่เราหวังคือทำดีแล้วหวังเราก็จะเป็นทุกข์เพราะสิ่งที่เราทำทำดีทำไปแต่ชั่วไม่ทำทำความดีทำดีที่สุดเลยแล้วก็รู้จักปล่อยวาง ใจเราจะเป็นอิสระอยู่เหนือดีเหนือชั่วเป็นจิตที่บริสุทธิ์จะมีความสุขแบบบอกไม่ถูกสุขแบบสดใสเบิกบานไม่ใช่สุขแบบสนุกสนานสุขแบบสนุกสนานมันเหน็ดเหนื่อยกังวนกระวายต้องสแสวงหาสุขแบบสดใสเบิกบานนั้นอยู่ภายในจิตใจเป็นทำให้สุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีแก่ช้าตายยาก และมีความสุขที่ยืนยาวคือสู่จากการรู้แจ้งเกี่ยวกับโลกและชีวิตนะแล้วถ้าเราใจิตใจมีความสุขแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะไปทำงานอะไรก็มีคุณค่ามีคุณภาพทำงานแบบมีคุณภาพแบบมีความสุขนะเราเองก็ได้รับความสุขก็เลยก็ได้รับความสุขไปด้วยอันเนี้ย เป็นศิละปะในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณค่าก็พอจะสมควรแก่เวลานะก็รู้สึ ก, กินดีที่ได้มีโอกาสมาพบกับชาวคณะเจ้าที่ของโรงพยาบาลกรุงเทพราชสิมาก็อยากจะชมเชยว่าวันนี้นี่ประสบผลสำเร็จที่สุดเลยทุกคนตั้งใจฟัง ยังมองไม่เห็นคนหลับนะแต่หลับในนี่อาจจะไม่เห็นแต่บางคนหาวสามครั้งเพราะครั้งที่สามเราก็ต้องเลิกแล้วเพราะครั้งที่สามมาถึงเตือนเราแล้วเนี่ยขอชมเชยนะรุ่นนี้รู้สึกว่ามีความเข้มแข็งมีความเอาชนะใจตัวเองมากมายแม้แต่ฟังไม่ค่อยเข้าใจเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ก็ตั้งใจฟัง ไอ้เรื่องเข้าใจหรือแม่เข้าใจนั้นเป็นเรื่องของจิตใจไอ้เรื่องตั้งใจเนี่ยเป็นเรื่องของน้ำใจนะน ะ, ะสุดท้ายนี้ก็ขอวอวยพรให้กับเจ้าคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกรุงเทพบัซซีบาและก็ผู้ที่สนใจจงมีความเจริญมีความผาสุกมีความก้าวหน้าชีว หลาศจากความทุกข์ด้วยการทุกท่านทุกคนเถิด